อันหนึ่งควรทราบเรื่องของโคสกะเศรษฐีที่เล่าไว้โดยความว่าโคสกะเศรษฐีนั้นตามประวัติเป็นบุตรของหญิงนครโสเพนีในกรุงโกสัมพีเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ได้ถูกให้นำเอาไปทิ้งเพราะว่า หญิงนครโสเพณีนั้นโดยปกติเลี้ยงแต่ลูกหญิงแต่ถ้าบังเอิญมีลูกเป็นชายก็ไม่เลี้ยงได้มีผู้ไปพบเด็กถูกทิ้งไว้มีกาสุนัขล้อมอยู่เป็นอันมากก็ได้เก็บเอาไปเลี้ยงไว้ในวันนั้นเศรษฐีของนครโกสัมพีได้ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโดยปกติได้พบกับปุโรหิตได้ถามขึ้นว่าดูดาวเลิกบ้างหรือเปล่า เป็นอย่างไรบ้างปุโรหิตก็บอกว่าดูเหมือนกันเศษถีก็ถามขึ้นว่ามีเรื่องอะไรบ้างปุโรหิตก็บอกว่าเรื่องอะไรอื่นก็ไม่มีแต่ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีใหญ่ของนครเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็รีบให้ไปสืบดูว่าภรรยาขตนที่มีคันแก่คลอดหรือยังก็ได้รับตอบว่ายัางไม่คลอด จึงได้ใช้ทาสีชื่อว่ากาลีให้ไปเที่ยวค้นหาว่ามีเด็กคนไหนเกิดในวันนี้บ้างหรือไม่นางกาลีก็เที่ยวค้นไปจึงได้ไปพบเด็กที่มีบุคคลผู้หนึ่งเก็บมาเลี้ยงไว้ดังกล่าวนั้นจึงได้ขอซื้อมามอบให้แก่เศรษฐีเศรษฐีเห็นว่าเป็นผู้ชายจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าลูกของเราคลอดออกมาเป็นผู้หญิงก็จะตกแต่งให้เป็นภรรยาสามีกัน แต่ถ้าลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายก็จะฆ่าเด็กนี้เสียต่อมาภรรยาของเศรษฐีก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายเศรษฐีจึงคิดที่จะฆ่าเด็กที่ซื้อมานั้นได้ใช้ให้นางกาลีนำเอาเด็กไปวางที่ประตูข้อโคเพื่อว่าในตอนเช้าเมื่อโคออกจากข้อก็จะได้เหยียบเด็กแต่ครั้งถึงเวลาโคออกจากข้อโคที่เป็นหัวหน้าฝูงก็ได้ไปยืนคล่อมเด็กไว ให้โคตัวอื่นๆเดินหลีกไปเด็กจึงรอดได้นางกาลี ก, ก็นำเด็กกลับมาเศรษฐีก็ใช้วิธีใหม่ให้นำเด็กไปวางไว้ที่ทางเกวียนเพื่อให้เกวียนที่ออกแต่เช้ามืดบด ท, ทับไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เกวียนออกในเวลาเช้ามืดโคที่เทียมเกวียนขันหน้าเมื่อไปถึงที่นั่นก็สลัดแอบออกและเมื่อได้ถูกเทียมเข้าใหม่ก็หยุดนิ่งไม่ยอมไป จนเวลาเช้าขึ้นคนขับเกวียนซึ่งเป็นหัวหน้าของหมู่เกวียนนั้นจึงได้เห็นเด็กแล้วก็เก็บเด็กไปนางกาลีต้องไปตามซื้อเอาเด็กนั้นคืนมาใหม่คราวนี้เศรษฐีใช้ให้ออกไปทิ้งบนกอไม้ในป่าชาพีดิต้องการจะให้สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นที่มากินศพทำร้ายแต่เมื่อเอาเด็กไปทิ้งแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรทาร้ายคนเลี้ยงแพะได้ไปเห็นเข้า ก็ได้กเก็บเอาเด็กนั้นไปเลี้ยงฝ่ายนางกาลีก็ได้ ก, กลับมาบอกเศรษฐีเศรษฐีก็ให้นางกาลีไปซื้อเอาเด็กนั้นกลับมาอีกคราวนี้เศรษฐีได้ให้นางกาลีเอาไปโยนภูเขาทิ้งเมื่อนางกาลีได้นำเด็กไปโยนภูเขาทิ้งเด็กก็บังเอิญไปตกบนกอไม้ที่คลุมอยู่บนกอไผ่ใหญ่คนตัดไม้ไผ่เพื่อนาไปจักสารไปพบเข้าก็เก็บเอาไปเลี้ยงไว้ เศรษฐีได้ทราบก็ให้นางกาลีไปซื้อเอากลับคืนมาอีกฝ่ายเด็กก็โตขึ้นโดยลำดับคราวนี้เศรษฐีได้คิดการให้โหดร้ายยิ่งขึ้นคือได้ไปพบกับนายช่างหม้อบอกว่าได้มีอวชาตบุตรจุคนหนึ่งจะส่งมาเมื่ออวชาตบุตรนั้นมาแล้วก็ให้นายช่างหม้อจับฟันเสี้ยให้เป็นท่อนเล็กทอดใหญ่แล้วใส่ลงไปในตุ่ม แล้วเอาเข้าวเผาในเตาเผามอจะให้รางวัลให้คุ้มค่าในภายหลังนายช่างหมอก็รับคำเศรษฐีจึงได้เรียกเด็กโ ค, โคสกะและสั่งให้ไปพบนายช่างหมอให้นําคําไปว่าตามที่สั่งให้ทํากิจไว้อย่างหนึ่งนั้นจงทําให้สําเร็จโคสกะจึงได้เดินไปเพื่อจะไปยังบ้านของนายช่างหมอก็พอดีไปพบอ บ, บุตรของเศรษฐีเองซึ่งกําลังเล่นขลุดอยู่กับเพื่อน บุตรของเศรษฐีนั้นเล่นแพ้มาเป็นอันมากจึงขอให้โคสกะช่วยเล่นแกเพราะว่าโคสกะนั้นเป็นผู้ที่ชำนาญในการละเล่นชนิดนี้โคสกะก็อ้างว่าได้รับคำสั่งให้ไปหาในช่างหมอง้อบุตรของเศรษฐีก็รับว่าจะไปแทนโคสกะก็กำชับว่าต้องบอกตามที่พ่อได้สั่งไว้มิฉะนั้นก็จะเป็นการผิดคำสั่งเมื่อลูกของเศรษฐีรักคาแข็งแรง จึงยอมอยู่เล่นกลุกแทนลูกเศรษฐีลูกของเศรษฐีก็ได้ไปอย่างบ้านของช่างหมอ้อและได้นําคําที่เศรษฐีสั่งไว้บอกแก่นายช่างหมอ้อนายช่างหม้อก็จับเอาลูกของเศรษฐีนั้นทําเหมือนอย่างที่เศรษฐีได้สั่งไว้ในตอนเย็นวันนั้นโคสกะก็กลับไปบ้านเศรษฐีถามว่าทําไมจะไม่ไปโคสกะก็เล่าให้ฟังเศรษฐีเมื่อด้ยินดังนั้นก็มีความตกใจเป็นกําลัง ได้รีบไปหาในช่างหม้อในช่างหม้อก็รีบออกมารับหน้าบอกว่าได้ปฏิบัติตามที่เศรษฐีสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้แสดงว่าการประทุษร้ายแก่บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายนั้นย่อมมีผลสนองดังได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้แปลความว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ได้ประทุษร้ายผู้ไม่มีอาดยาด้วยอาดยา ย่อมบรรลุถึงฐานะทั้ง1ิบฐานะใดฐานะหนึ่งพลันทีเดียวคือ 1. เวทนาที่เผ็ดร้อน 2. ความเสื่อม 3. ความทำลายแห่งสรีระ 4. อาพาธที่หนัก 5. ความฟุ้งซ่านแห่งจิต 6. อุปสรรคจากพระเจ้าแผ่นดินหรือบ้านเมือง 7. การกล่าวตูที่ทารุณ 8. ความเสื่อมสิ้นแห่งญาติทั้งหลาย 9. ความย่อหยับแห่งโภคะทั้งหลาย 10. ไฟไหม้บ้านและผู้นั้นเมื่อกายแต่ทำลายตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนิรยะยัคือพบที่ไร้ความเจริญเศรษฐีนั้นแม้จะเสียบุทไปเพราะการคิดทำลายโคสกะก็ยังไม่ยอมหยุดยัง้งยังคิดต่อไปอีก จึงได้เขียนหนังสือถึงผู้จัดการเก็บสวยในหมู่บ้านของเศรษฐีแห่งหนึ่งสั่งให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นค่าอวชาติบุตรที่ส่งไปแล้วให้ทิ้งไปในหลุมวัดจับให้เป็นการมิจฉิตและจะตอบแทนการกระทํานี้ในภายหลังได้ผูกหนังสือนี้ไว้ที่ชายผ้าของโคสกาเองสั่งให้โคสกะเดินทางไปโคสกะนั้นอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ทราบข้อความว่าเขียนอย่างไร โคสกะได้ขอสเสบียงเดินทางเศษถีก็บอกว่าได้มีเพื่อนเศษฐีอยู่คนหนึ่งในระหว่างทางให้ไปพักที่นั้นไม่ต้องนำสเสบียงไปโคสกะก็เดินทางไปเมื่อไปถึงบ้านของเศษถีผู้สหายของเศษถีผู้บิดาเลี้ยงก็ได้แวะเข้าไปขอพักฝ่ายภรรยาของเศษฐีนั้นเมื่อได้สอบถามทราบว่าเป็นโคสกะ ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงโกสัมพีก็ยินดีรับรองและจัดที่ให้พักเป็นที่สุขสบายในการจัดรับรองนั้นก็ได้ใช้ทาสีของธิดาให้เป็นผู้ทามเมื่อทาสีของทิดาเศรษฐีจัดเสร็จแล้วก็ได้กลับไปทำกิจให้แก่ทิดาเศรษฐีฝ่ายทิดาเศรษฐีก็ว่ากล่าวเพราะใ้ให้ไปทากิจอย่างหนึ่งแต่โมไปจากช้าอยู่ ทาสีก็เล่าความให้ฟังว่าโคสกะซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มในกรุงโกสัมพีมาพัดและพระยาของเศรษฐีคือมารดาของธิดาเศรษฐีนั้นเป็นผู้ใช้ให้จัดรับรองธิดาเศรษฐีเมื่อได้ฟังชื่อว่าโคสกะก็เกิดความสนใจและเกิดความพอใจขึ้นทันทีในเรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าความรักนั้น ย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยบุพเพสนิวาตความเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนและด้วยการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนอย่างดอกอุบลอาศัยน้ำและเปลือกตมเกิดเจริญขึ้นในน้ำฉะนั้นเศรษฐีทิดาเมื่อเกิดความสนใจในโคสกะแล้วก็ได้ลอบลงมาอย่างห้องที่โคสกะพักได้เห็นโคสกะนอนหลับ และเห็นหนังสือที่ผูกอยู่ที่ชายผ้าก็แก่เอาหนังสือนั้นมาอ่านเมื่อทราบความในหนังสือนั้นแล้วก็ตกใจว่าชะไหนจึงได้โง่เขลาจนถึงผูกหนังสือที่สั่งให้ข่าตนเองมาดังนั้นจึงได้ไปเขียนหนังสือขึ้นใหม่แก้ข้อความเส้นหม่ว่าให้ผู้จัดการเก็บสวยนั้นจัดการสู่ขอและตบแต่งโศกกะกับธิดาของเศรษฐีในบ้านนั้นให้จัดการปลูกเรือนหอ และจัดรับสมบัติให้โดยครบถ้วนวันรุ่งขึ้นโคสการก็เดินทางต่อไปถึงบ้านของผู้จัดการเก็บสวยก็ได้ยื่นหนังสือนั้นให้ผู้จัดการเก็บสวยก็ได้จัดการให้เป็นไปตามหนังสือที่เขียนไว้นั้นทุกประการต่อมาเมื่อเศรษฐีในกรุงโกสัมพีได้ข่าวดังนั้นก็ยิ่งมีความเสียใจเพราะที่คิดว่าจะให้ทาอย่างไรก็ไม่เป็นไปตามที่คิดสักอย่าง และตนก็ต้องเสียบุตรไปด้วยมีความเสียใจมากขึ้นจนถึงล้มป่วยลงเมื่อป่วยหนักก็ส่งคนไปให้ตามโคสกะมาพบแต่ว่าผู้ที่มาตามนั้นก็มาพบกับภรยาของโคสกะก่อนภรยาของโคสกะก็รับรองและเก็บความไว้ยังไม่บอกแก่โคสกะผู้สามีต่อมาเมื่อเศรษฐีมีอาการเพียบหนักส่งคนมาให้ตามอีกภรยาของโคสกะ จึงได้บอกแก่โคสกะแล้วได้พากันไปพบในขณะที่ไปพบนั้นภรรยาก็ให้โคสกะผู้สามียืนอยู่ที่เทา้าส่วนตนเองยืนอยู่ค่อนมาทางศาีรษะของเศรษฐีฝ่ายเศรษฐีปรารถนาที่จะพูดว่าจะไม่ยกสมบัติให้แต่ก็พูดออกมาได้ยินแต่เพียงว่าให้ภรรยาของโคสกะก็รีบแสดงอาการเศร้าโสสศกศพศีรษะที่อกของเศรษฐี ซึ่งกำลังป่วยหนักเศรษฐีก็สิ้นชีวิตลงในขณะนั้นเมื่อเศรษฐีสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าอุเทนได้ทรงทราบก็ได้โปรดให้ทำสรีระกิจของเศรษฐีและได้รับสั่งให้โกสกะผู้บุตรของเศรษฐีมาเฝ้าเพื่อจะทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีวันนั้นฝนตกน้ำฝนขังนองท้องพระลานหลวงเมื่อโกศกะเข้าไปเฝ้า ก็เดินกระโดดไปบ้างแต่เมื่อเข้าไปเฝ้าและได้รับพระราชกกาหนดว่าจะทรงแต่งตั้งเป็นเศรษฐีก็เดินออกมาโดยเรียบร้อยพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรทางช่องพระแกลทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเรียกเข้าไปอีกรับสั่งถามว่าเมื่อขาเข้ามากระโดดโลดเต้นเข้ามาเมื่อขาออกไปเดินออกไปอย่างเรียบร้อย เพราะเหตุอะไรโคสกะก็กระททูลว่าเมื่อตอนที่เข้ามานั้นยังไม่ได้รับกำหนดฐานันดรยังเป็นเด็กจึงปฏิบัติอาการอย่างเด็กได้แต่ว่าเมื่อได้รับกำหนดฐานันดรเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องแสดงอาการของผู้ใหญ่พระเจ้าอุเทนก็โปรดว่าเป็นผู้มีสติปัญญาก็ได้โปรดพระราชทานตาแหน่งเศรษฐี ในเวลานั้นทีเดียวเมื่อโคสกะเศรษฐีกลับบ้านภรยาได้แย้มสวนเพราะได้คิดว่าโคสกะรอดตายมาเพราะความคิดของตนโคสกะได้เห็นอาการเช่นนั้นก็ได้คาดคันถามภรยาได้บอกให้ทราบโคสกะก็ยังไม่เชื่อภรยาก็อ้างทาสีที่ชื่อว่ากาลีเป็นพยานนางกาลีก็ได้แจ้งให้โคสกะทราบโดยตลอด โคสกะเมื่อได้ทราบดังนั้นก็มีความสังเวชใจได้ตั้งโรงทานบริจาคอาหารเป็นต้นแก่คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นคนจัดการโรงทานชื่อว่ามิตตะกุดุมพีและที่โรงทานนี้เองพระนางสาม า, มาวดีได้เข้าไปขออาหารจนถึงโคสกะเศรษฐีได้รับก็ไปเป็นบุตรบุญธรรมตามที่ได้เล่ามาแล้ว จะได้เล่าเรื่องเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในกรุงโกสัมพีต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับจำพรรษาในกรุงโกสัมพีนั้นเศษถีทั้งส ม, มีโคสกะเศรษฐีเป็นต้นได้ถวายอุปการะผัดเปลี่ยนกันโดยตลอดนายช่างดอกไม้ที่เรียกว่านายมาลาการชื่อว่าสุมานะเป็นอุปถากคือผู้ช่วยรับทําการงานของเศรษฐีทั้งสาม ได้ขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปเสวยและฉันพระตาหารในวันหนึ่งและโดยปกติพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานมูลค่าดอกไม้ให้แก่พระมเหสีทั้งสามนั้นสำหรับซื้อดอกไม้เป็นประจำวันนางทาสีหรือข้าหลวงของพระนางสามาวดีชื่อว่าขุดชุตตราเป็นผู้มาซื้อดอกไม้ของนายสุมณะเป็นประจำ ในวันนั้นเมื่อมาซื้อดอกไม้นายสุมาณะก็ชักชวนให้อยู่ช่วยเลี้ยงพระและฟังธรรมด้วยกันก่อนเมื่อได้ทำการเลี้ยงพระเสร็จแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้ทรงอนุโมทนาธรรมเนียมอนุโมทนาในสมัยนั้นมีกล่าวไว้ว่าโดยปกติเมื่อทายกต้องการจะฟังอนุโมทนาจากพระรูปใดก็รับบาตรของพระรูปนั้นไว้และพระรูปอื่น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 ก็ได้รับบาดของพระพุทธเจ้าไว้แสดงว่ามุ่งจะให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่อนุโมทนาคือแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นการอนุโมทนานางกุจุตราก็ปล่อยได้ฟังด้วยเท็กนางกุจุตราได้ปล่อยฟังด้วยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันอื่นๆ น, นางกุจุตราได้ยักเอาข้าดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่งแต่ในวันนั้น ได้ซื้อดอกไม้เต็มราคาได้นำไปมอบแก่พระนางสาวมาวดีเมื่อได้ถูกสักถามว่าวันนี้ทำไมดอกไม้จึงมากนางขุดชุดตราก็รับตามความเป็นจริงและว่าไม่ทำเหมือนอย่างเกา่าก็เพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนางสาวมาวดีก็ขอให้นางขุดชุดตระาแสดงธรรมให้ฟังนางขุดชุดตราก็ขอให้จัดที่แสดงธรรม และเมื่อได้ชำระกายแต่งกายสะอาดเรียบร้อยก็ขึ้นที่แสดงธรรมและแสดงธรรมให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟังพระนางสามาวดีเมื่อได้ฟังธรรมของนางขุดชุตราที่จำมาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวารต่อจากนั้นก็ได้ส่งนางขุดชุตราไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและมาแสดงต่อให้ฟังอยู่เนือนิด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 ซึ่งได้ผูกอาคาตในพระพุทธเจ้าไว้ได้ขึ้นไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีได้เห็นช่องที่เจาะไว้ที่ฝาก็ได้สักถามจึงได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาอย่างนครนี้ก็หวนคิดถึงเวรที่ได้ผูกไว้ก็คิดจะจัดการให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากนครโกสัมพีจึงได้ไปเฝ้าพระเจ้าอุเทนทูลฟ้องว่า พระนางสามาวดีมีพระอฤิทัยออกห่างเพราะได้เจาะช่องฝาเพื่อจะคอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนตําหนักของพระนางสามาวดีเมื่อได้ทรงเห็นช่องฝาที่ได้เจาะไว้นั้นก็ไม่ตรัสว่าอย่างไรกลับตรัสให้ทําช่องหน้าต่างหรือช่องบานพระแกวไว้เพื่อให้ใช้เปิดเป็นหน้าต่างต่อไปพระนางมาคันธยา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 พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าก็เมื่อมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนอีกพระอนุลก็ทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า the เมื่อถูกด่านในเมืองนั้นอีกจะไปที่ไหนอีกพระอนุลทูลว่าจะไปเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะทำอย่างนั้นไม่สมควร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 ไม่ไปเกินกว่าเจ็ดวันได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าเราจะอดทนคำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างศึกอดทนศรที่ตกจากแหล่งในสงครามเพราะว่าชนเป็นอันมากเป็นผู้ตุศีนชนทั้งหลายย่อมนํำพาหานะที่ฝึกแล้วสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมประทับพาหานะที่ฝึกแล้ว บุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนคำล่วงเกินบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดล้ำมนุษย์ทั้งหลายม้าอัศดรที่ฝึกแล้วม้าสินทบอาชาไหนที่ฝึกแล้ ว, ม, าาลวมหาหน้ากุญชรคือช้างใหญ่ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าบุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นพระนางมาคันธยา เมื่อไม่สามารถจะให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากเมืองโกสัมพีนั้นได้ก็คิดอุบายต่อไปคือได้สั่งไปถึงมาคันธิยะผู้เป็นลุงให้ส่งไก่ตายมาให้ตัวหนึ่งไก่เป็นอีกตัวหนึ่งในชั้นแรกก็ให้นำไก่เป็นมาถวายพระเจ้าอุเทนก่อนแล้วเมื่อเขานาไก่เป็นมาถวายก็แนะนาพระเจ้าอุเทนให้ส่งไปให้คณะพระนางสามาวดีปรุงเครื่องเมื่อเขาส่งไก่เป็นนั้นไป คณะพระนางสามาวดีก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์พระนางมาคันธยาก็ทูลยุแย่ว่าให้ลองดูต่อไปให้ลองส่งไก่นั้นไปอีกและสั่งให้จัดการทําพัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งไปอย่างนั้นแต่คราวนี้พระนางมาคันธยาก็ได้รอบสั่งให้ส่งไก่ตายไปพระนางสามาวดีเมื่อได้รับรับสั่งดังนั้น ก็จัดการปรุงพัตาหารถวายพระพุทธเจ้าพระนางมาคันธยาก็โูนยุแยแย่ว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพระนางสามาวดีเอาใจออกห่างพระเจ้าอุเทนก็สรงนิ่งพระนางมาคันธยาเมื่อมาได้รับความสำเร็จสมประสงค์ก็คิดการต่อไปได้สั่งให้มาคันธยาผู้เป็นลุงจัดหางูพิษส่งมาแต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสียเมื่อได้รับมาแล้ว ก็จัดการใส่เข้าไปในพินสำหรับดิดเรียกช้างของพระเจ้าอุเทนที่โปรดนำติดพระองค์ไปด้วยเสมอเมื่อถึงวาระที่พระเจ้าอุเทนเสด็จไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาก็ถูกัดขานทำนองว่าจะเกิดเหตุร้ายพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงเชื่อฟังได้ทรงถือพินคันโปรดพรานั้นนำติดพระองค์ไปยังตาหนักของพระนางสามาวดีด้วยพระนางมาคันธยาก็ไปด้วย และเมื่อได้เสด็จขึ้นไปบนพระตำหนักนั้นแล้วพระนางมากัญทิยาก็ลอกเปิดช่องที่พินงูก็เลื้อยออกพระนางมากัญทิยาก็ร้องเออะขึ้นทูลพระเจ้าอุเทนให้ทรงทราบพระเจ้าอุเทนเมื่อได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็เกลิ้วพระนางสามาวดีรับสั่งให้เรียกเอาธนูและแล่งสรงธนูเพื่อจะยิงพระนางสามาวดีแต่พระนางสามาวดี ก็แผ่เมตตาจิตไปยังพระเจ้าอุเทนและพระนางมาคันธยากับสั่งบริวารให้แผ่เมตตาจิตไปด้วยกันพระเจ้าอุเทนก็ได้ทรงกลับพระฮารุไทยที่กล่าวว่าเป็นไปด้วยอำนาจของเมตตาจิตและเพราะได้ทรงงุนงงในพระฮารุไทยก็ได้ทรงขอให้พระนางสามาบดีเป็นที่พึ่งต้านทานพระนางสามาบดีขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าอุเทนสรงรับและได้รับสั่งประธานพรแก่พระนางสามาวดีต่อจากนั้นก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็รับสั่งให้พระนางสามาวดีขอพอรที่พระราชทานไว้พระนางสามาวดีก็ทูลว่าไม่ต้องการพอรอย่างอื่นกระสงว่า จักทูลขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์มาถวายพัตตาหารในพระราชานและทูลขออนุญาตเพื่อจะฟังธรรมพระเจ้าอุเทนส่งอนุญาตแก่พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาถวายพัตตาหารที่ตำหนักและทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนืองนิดในการเลี้ยงพระนี้พระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จมาส่งร่วมด้วย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 ได้ไปฉันในราชตระกูลได้แสดงธรรมแก่คณะพระนางสามาวดีอยู่เป็นประจำฝ่ายพระนางมาคันธยาเห็นว่าเรื่องที่คิดไว้ไม่สำเร็จทุกครั้งก็คิดการที่โหดร้ายยิ่งขึ้นจึงได้ให้ไปตามลุงที่ชื่อว่ามาคันธิยะเข้ามาและได้ร่วมคิดการที่โหดร้ายไว้ในวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จออกไปนอกพระนคร มาคันธยะผู้เป็นลุงของพระนางมาคันธยาก็ตรงไปยังตำหนักพระนางสามาวดีได้เปิดคลังผ้านำเอาผ้าต่างๆออกมาพันเสาตำหนักและบริเวณตำหนักของพระนางสามาวดีเอาน้ำมันราดได้อ้างรับสั่งของพระเจ้าอุเทนว่าให้ปฏิบัติเช่นนั้นและให้คณะของพระนางสามาวดีเข้าไปรวมอยู่ในตำหนักทั้งหมดเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตำหนัก พระนางสามาวดีกับบริวารได้ถูกไฟครอกสิ้นชีวิตด้วยกันทั้งหมดฝ่ายพระเจ้าอุเทนเมื่อได้ทรงทราบข่าวว่าตำหนักพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ก็ได้รีบเสด็จกลับแต่กลับมาไม่ทันต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้เป็นต้นเหตุและบุคคลผู้ร่วมคิดกระทําการอันนี้ก็ได้โปรดให้จัด ก, การลงโทษจนถึงตาย ด้วยวิธีการอันร้ายแรงทั้งหมดในขณะที่เกิดเรื่องไฟไหม้ตำหนักครอบพนางสามาวดีกับบริวารสิ้นชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าโลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเหมือนมีรูปที่สมควรคนผานมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกพัน ถูกความมืดแวดล้อมย่อมปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ที่มีความเที่ยงอยู่กิเลสเป็นเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ที่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงเรื่องตอนพระนางสาวมาวดีถูกไฟครอกนี้ท่านเล่าว่าในอัตตกถาธรรมบทด้วยว่าเมื่อจะสิ้นชีวิตพระนางสามาวดีได้สอนให้บริวารเจริญเวทนาปริกขะกรรมฐาน คือกรรมฐานที่กำหนดเวทนาเป็นอารมณ์เรื่องในกรุงโกสัมภีที่เล่ามานี้เล่าตามพระอัตกถาจารย์ที่เล่าไว้ในอัตกถาธรรมบทซึ่งได้แต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปประมาณพันปีมีเขาที่ปรากฏในัำพีพระบาลีอยู่บ้างเช่นโคสการามบ่งว่าเป็นอารามของบุคคลผู้ที่ชื่อว่าโคสกะสร้างถวายเป็นต้น แต่ว่าเรื่องของโกสกะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่พบความพิสดารในชั้นบาลีพบแต่ในชั้นอัตกถาที่เล่ามานั้นบางแห่งก็ส่องความเป็นเรื่องที่ผูกขึ้นในครั้งหลังเช่นเรื่องที่เศรษฐีกรุงโกสัมพีเขียนหนังสือสั่งให้ฆ่าตัวเองผูกที่ชายผ้าของโกสกะไปในครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่พบเรื่องการเขียนหนังสือฉะนั้นเมื่อมาแต่งว่าเขียนหนังสือดังนั้น รายละเอียดในตอนนั้นน่าจะผูกขึ้นในตอนหลังแต่ว่าเขาความก็น่าจะมีอยู่เรื่องพระนางสามาวดีถูกไฟครอกมีในหลักฐานชั้นบาลีคือตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานดังคำแปลนั้นก็ได้เล่าเรื่องว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปล่งพระพุทธอุทานนั้นไว้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นดังที่เล่านี้เป็นเครื่องแสดงว่า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 และจำราระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจนถึงทําจิตของตนให้หลุดพ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าหลายครั้งที่ได้ทรงทราบว่าผู้นั้นผู้นี้จะได้รับผลของกรรมจนถึงสิ้นชีวิตก็ได้รีบเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดให้ได้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนและเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้น ก็ได้ชื่อว่ามีที่พึ่งของจิตใจเป็นอย่างดีถึงจะต้องได้รับผลของกรรมอย่างร้ายแรงจนถึงสิ้นชีวิตก็ดีแต่ก็เป็นผู้ที่มีกติคือที่ไปในทางดีพระพุทธเจ้าย่อมทรงช่วยได้โดยประกาศนี้ในเรื่องของพระนางสามาวดีนี้ท่านได้เล่าว้ว่าเพราะพระนางกับบริวารได้ประกอบบาป ก, กรรมไว้ในอดีตชาต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 ไม่เป็นอันตรายเพราะไฟหรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เป็นอันตรายแต่บาปกรรมที่ทำไว้นั้นก็ส่งผลให้พระนางสามมาวดีกับคณะได้ถูกไฟเผาในชาติต่อๆมาส่วนโคสกะเศรษฐีนั้นท่านก็เล่าบุปกรรมไว้โดยความว่าครั้งหนึ่งได้เกิดทุกพิฆภัยขึ้นในอันลลกะปะรัตบางผู้ก็กล่าวว่าเกิดไอวาตากะโรคขึ้น คนแข็นใจผู้หนึ่งชื่อว่าโกตุฮาริกะาพาภรยาซึ่งมีบุตรอ่อนหนีออกไปมุ่งจะไปกรุงโกสัมพีเมื่อเดินทางไปนั้นสเสบียงทางก็หมดเมื่อเกิดความหิวโหวยอ่อนกำลังลงในโกตุฮาริกะก็คิดจะทิ้งบุตรภรรยาก็คอยห้ามไว้ไม่ยอมให้ทิ้งแต่ก็ได้ลอบทิ้งภรรยาเมื่อทราบเข้าก็เก็บเอาไป บุตจึงต้องถูกทิ้งแล้วก็ถูกเก็บเอาไปหลายครั้งจนในที่สุดก็ถึงแก่ความตายในระหว่างทางเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่งนายโคบานผู้หนึ่งกำลังประกอบพิธีมงคลเกี่ยวแก่โคนมเมื่อได้เห็นคนเดินทางทั้งคู่นั้นมีความทุกข์ยากลำบากหิวโหวยก็เกิดความสงสารก็ต้อนรับเลี้ยงดูเมื่อเลี้ยงดูคนเดินทางทั้งสองนั้นเสร็จแล้วนายโคบาน จึงได้บริโภคอาหารด้วยตนเองได้ปั้นข้าวป่าญาติให้แก่นางสุนัขซึ่งอยู่ในที่ใกล้นายโกโตฮาริกะเห็นหนางสุนัขได้รับเลี้ยงดูด้วยอาหารวิเศษเช่นนั้นก็คิดว่านางสุนัขนี้มีบุญได้กินอาหารดีๆเช่นนี้เสมอในคืนวันนั้นนายโกโตฮาริกะได้บริโภคอาหารเกินส่วนเพราะได้อดอยากมาเป็นเวลาหลายวันก็ถึงแ ก, ก่กรรมท่านว่าเข้าไปเกิดในท้องสุนัข นางสุนัขคลอดลูกออกมาเป็นสุนักตัวผู้นายโคบานก็เลี้ยงดูไว้เป็นอันดีและให้คอยไปรับไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งลูกสุนักนั้นก็ไปรับไปส่งและได้เห่าหอนพระปัจเจกพุทธเจ้าในการรับและการส่งจนมีจิตคุ้นเคยสนิทสนมกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในตอนนี้ท่านได้แสดงว่าธรรมดาว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นโดยปกติเป็นสัตว์ที่ซื่อตรง คือว่าโกงไม่เป็นแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นโดยมากคิดอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าสิ่งที่มีชั้นเชิญมากก็คือมนุษย์สิ่งที่ตื้นก็คือสัตว์เลี้ยงเมื่อสุนัขนั้นตายท่านกล่าวว่าไปเกิดเป็นเทพประบุแต่ว่าปริโภคกามคุณเกินขนาดจึงได้จุติลงมา ไปเกิดในท้องของหญิงนครโสภณีในกรุงโกสัมพีดังที่เล่ามานั้นและท่านกล่าวว่าเทวดาที่จุตินั้นด้วยเหตุสี่อย่างคือ 1. สิ้นอายุหมายความว่าทําบุญไว้มากก็อยู่ในเทวโลกจนถึงกําหนดอายุและก็เกิดในชั้นทงสูงขึ้นไป 2. สิ้นบุญคือว่าทําบุญไว้น้อยเมื่อสิ้นบุญนั้นแล้วก็ต้องจุติในระหว่าง 3. ส, สิ้นอาหารหมายความว่าตื่นในกามาคุณหรือว่าตื่นสวรรค์หรือว่าบริโภคกามาคุณอย่างหนักจนลืมบริโภคอาหารก็ต้องจุติเหมือนกันและสโกรธหมายความว่าริษยาในสมบัติของผู้อื่นไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นเมื่อเกิดความโกรธริษยาขึ้นดังนี้ก็ต้องจุติเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องประกอบ ส่วนพระเจ้าอุเทนนั้นมีเรื่องเล่าว่าได้พบกับพระปินโทลภารัวาชะได้ตั้งปัญหาถามท่านท่านก็ตอบจนพระเจ้าอุเทนสรงเลื่อมใสมีเรื่องแสดงไว้ในคำภีชั้นพระบาลีว่าเมื่อท่านพระปินโทลภารัวาชะได้อยู่ที่โคสิตารามในกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนได้เสด็จก็ไปหาท่านได้รับสั่งตั้งปัญหาถามท่านว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พิสุดหนุ่มๆเหล่านี้ซึ่งยังมีผมดำสนิทอยู่ในวัยเจริญคือปฐมวัยไม่เริงสนุกในกามทั้งหลายยอมประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตท่านพระปิณโทละพารัตถวะชะก็ทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นแม่ในหญิงทั้งหลายปูนแม่เธอจงตั้งจิตว่าเป็นพี่น้องหญิง ในหญิงทั้งหลายปูนพี่น้องหญิงเธอจงตั้งจิตว่าเป็นทิดาในหญิงทั้งหลายที่เป็นปูนทิดานี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พิสุทธิ์หนุ่มๆเหล่านี้ยอมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งถามต่อไปว่าจิตเป็นธรรมชาติที่โลเลเหลวไหลบางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนแม่บางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้น ในหญิงทั้งหลายปูนพี่น้องหญิงบางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนที่ดาฉะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรอื่นอีกพระปินโถลภารัตวชัดก็ทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพวกเธอจงมาพิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฝันหนังเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พิสูจหนุ่มทั้งหลายเหล่านี้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ตลอดชีวิตพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งซักต่อไปว่าพวกพิสษจน์ที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วนั้นก็กระทาได้ไม่ยาก แต่ว่าผู้ภิกษุผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาข้อนั้นก็กระทําได้ยากในบางคราวคิดว่าจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอสุภะแต่ก็กลับเห็นเป็นสุภะไปเสียฉะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นอีกท่านพระปิณโถลภารัตวชัดก็ทูลว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พวกเธอจงมามีสติคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเห็นรูปด้วยจักสุขได้ยินเสียงด้วยโสตะสูดกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยจิวหาถูกต้องโผลภะพักด้วยกายรู้เรื่องด้วยใจก็อย่าถือเอาโดยนิมิตคือว่ารวบถืออย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือว่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์เหล่านั้น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 ตั้งสติสัมโรมอินทรีย์เข้าไปภายในพระนครโลภะธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะครอบนำพระองค์ได้ได้ทรงประกาศความลื่อมสายในพระพุทธศาสนาแสดงพระองค์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารนะแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนั้นเรื่องที่เล่าไว้ในคัมภี์ชั้นพระบาลีนี้จะเกิดขึ้นก่อน หรือที่หลังเรื่องพระนางสามาวดีทราบไม่ได้แต่เรื่องพระนางสามาวดีตอนที่เล่าถึงพระนางสามาวดีทูลให้พระเจ้าอุเทนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนั้นมีในชั้นอัตกถายังไม่พบในชั้นพระบาดีเพราะฉะนั้นจึงได้มีบางท่านแสดงว่าพระเจ้าอุเทนได้ทรงพบกับพระปินโทลภารัตวะชะและได้เลื่อมายในพระพุทธศาสนามาก่อนแล้ว